มนุษย์เราเนีนเมื่อเกิดก็ไม่รู้การเกิดการดำรงอยู่ก็ไม่รู้เวลาตายเราก็ไม่รู้จักชีวิตนี้ไม่มีปัญญาที่รู้จักการทั้งสามไม่ว่าเวลาเกิดเวลาดำรงอยู่และเวลาตายเกิดมาไม่ได้สมบัติที่ควรจะเป็นคติสมบัติประโยคะสมบัติ นิ่านสมบัติสมบัติมีแต่คนไม่แสวงหาเกิดมาแทนที่จะมีหูทิพตาทิพเราก็เป็นคนที่พลาดโอกาสเสียกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดไป ไม่ได้ยินดีไม่ได้ใส่ใจต่อพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นเรื่องของอริยสั์เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากแต่คนไม่ค่อยใส่ใจนะม่การล่วงเลยเวียมมาเป็นพันพันปีนะ ศาสนาพุทธนี่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเจริญอะไรมากมายทั้งที่เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ชีวิตของมนุษย์ได้ม น, นุษย์เราถ้าอยากดำรงอยู่ที่ไม่อยากเป็นทุกข์เขาก็มีทางออกให้ตั้งแต่ขั้นธรรมดา ปัจจัยสี่ความสะดวกสบายพัฒนาขึ้นมาเรานี่ถือว่าเป็นผู้โชคดีโชคดีที่มีอยู่มีกินมีองค์คาวยบครบสาสบสองประการมีความสะดวกสบายแล้วสามารถมีโอกาสสร้างโอกาสคือสร้างความว่างให้ตัวเองเป็น หาศึกษาเรียนรู้พระธรรมิือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำแหละเป็นคนไม่ประมาทที่พูดว่าศาสนาจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเจริญอะไรมากมายเนี่ยเพราะว่าสัจธรรมไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจคน เดี๋ยวนี้คนตื่นตัวกับการสวดมนต์กับการอะไรแต่ก่อนก็ไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นอยู่เพียงแต่ว่าไม่เผยแพร่ทางสื่อเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแต่ก็อย่างว่านะคนไม่รู้ทาก็คือหลงทางไปเรื่อย ไม่ได้ไหมายว่าคนตื่นตัวมาศึกษาศาสนาเรียนรู้พระธรรมถ้าจะทำได้ถูกนะถ้าไม่ได้มีผู้รู้ชี้นำบอกให้มันผิดพลาดไปหมดคือถ้าคนไม่รู้เริ่มต้นก็ต้องศึกษาเรื่องเปลือกมันไปตามลำดับเเปลือกกัะพี่แก่นถือ เรยังมีความรู้สึกว่าศาสนาในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความขลังผู้ศาสนาพระพุทธองค์กับสอนให้ออกจากความขลังความศักดิ์สิทธิ์คนชอบไปชอบดูกันทํานายใจทักชอบผูกดวงชะตาชอบไปหาพระเจ้ประสงค์เสะดะเคราะ ถามวันที่วางนี้เป็นเรื่องศาสนาพุทธไม่ไมใช่นะเป็นความงมงายศา ส, สนาพุทธนี่คือตื่นเบิกบานด้วยธรรมด้วยธรรมคือความเข้าใจในสัจจะของชีวิตนี่แนะแต่คนทั้งหลายเกิดมาก็ไม่ใยดีในการเกิดนะเราไม่ได้เกิดพุทธพุทธเพราะว่าเราไม่ได้เกิดเราเกิดแต่เนื้อหนังนะ การดำรงอยู่แล้วก็ดำรงอยู่ไปตามอัตภาพตามอาวิชชาคือความไม่รู้พอไม่รู้เราได้ร่างกายสังขารนี้มาอย่างไงแล้วก็ไหลไปตามนั้นเราติดอกติดใจอะไเหมือนสัญจัตยานวันสักเราอยากกินอันนี้รู้สึกว่าวันหวานชอบแล้วก็หาเงินไปซื้อให้ไดนะ้ซื้อเอารูปเอารถเอากลิ่นเอาเสียง ตามสันเจตยานเอากามคือดีกว่าสัตว์นิดนึงสัตว์ดิเรกันทีนี้เวลาตายแทนที่เราจะรู้จักวิธีตายรักษาดวงจิตตัวเองเป็นเวลามันหล่นมันหล่นมันทํากาละละเนี่ยทำกาละกิริยาเราก็ไม่รู้จักอีกตายก็ไม่เป็นเกิดก็ไม่เป็นอยู่ก็ไม่เป็น ท่ที่ศักยภาพของมนุษย์มันมีถ้าเราอยู่เกิดมาอยู่ได้ตายเป็นพ้นทุกข์แล้วชีวิตเนี่ยคือจะไปทางไหนมันก็ไม่มีปัญหานะเมื่อเราเรียนมาทั้งโลกความรู้เรามีทํางานอะไรก็ได้เนี่ยไปทํางานอยู่กับใครยังไงก็ได้เหมือนกันเน่ยถ้าเราเรียนรู้เรื่องการเกิดการดํารงอยู่การตายเป็นแล้วเนี่ยสะดวกสบาย เราพร้อมนะพร้อมที่จะเข้าเผชิญต่อพญามาจุราชเผชิญกับโลกกธรรมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลายแบบคนที่มีอาวุธคนที่ไม่เกรงกลัวเราสังเกตดูจิตเราถ้าหากว่ายังมีความอยากความผูกพันอะไรสักอย่างเนี่ยจะมีความดีใจมีความเสียใจ มาเข้ามาเข่าถ้ามันฝังลึกเนี่ยมันจะมีอาการที่เป็นคนตกใจง่ายเป็นคนตกใจง่ายอะไรหล่นอะไรยังไงเนี่ยจิตมันหลุดพวกลุกไปทันทีเป็นคนตกใจง่ายหวาดสะดุ้งต่อเสียงดุจเนื้อสมนในป่าสัตว์เขาอยู่ในสัญชาตญาณนในป่าอะไรก็แก๊กเนี่ยหมายถึงความตายเขาเลย เพรเขาจะตกใจง่ายสัตว์เนี่ยมันจะตื่นเร็วนะไม่เหมือนพวกงูที่มีพิษมันไม่ค่อยตกใจเพราะเหมือนมีอาวุธช้างพวกเนี้ยยิงเยอ่โส่โอหังในกําลังตัวเองไม่ค่อยตกใจพวกเนี้ยเพราะนมนุษย์เนี่ยคือคนมีปัญญาถ้ามีคนมีปัญญาเนี่จะเหมือนงูมีพิษเหมือนช้างที่มีกําลัง แต่มนุษย์ก็ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็ตกใจต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ตกใจตกใจคนนั้นตายคนนี้เกิดปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเราก็ตกใจล่ะฉนั้นถามว่าอะไรที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ข้ามพ้นภัยทั้งหลายไม่มีะ ยีหน่อยก็น้ำหูน้ำตาออกเจ็บป่วยโศกเศร้าเสียใจมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนะชีวิตเนี่ยนั่งทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์อะไรอะไรเป็นทุกข์ไปหมดทุกข์เพราะความเสื่อมของสังขารอันหนึ่งทุกข์เพราะความคิดอันหนึ่งในรูปนามก็ทุกข์ในนามรูปก็ทุกข์ มันทุกตลอดนะในศาสนาพุทธิพรมันมีความทุกข์แบบนี้เขาขึ้นพยายามที่จะสอนคนให้พ้นจากความทุกข์โดยการให้ทานสิ่งที่เรามีนี่ลองทิ้งออกไปดิลองทิ้งตัวตนของเราทิ้งของของเราทิ้งของของเราแล้วทิ้งตัวตนที่หลังอัตตาอัตเนีย ทิ้งอัตตานิยาของของตนลองไปดูที่ทานออกไปทานรู้สึกสบายไหมสบายไหมดีไหม<ด>เห็นไหมบางคนทานมากเขา้ามากเขา้าแล้วเขาก็เกิดเอิบอิ่มถ้าเขาได้ทานเขามีความสุขนะแต่คนหลายๆคนให้ทานแล้วมีความทุกข์เป็นความตนีผูกมัดใ จ, ใจิตใจทีนี้พอให้ทานมากเขา้าเขาก็จะเริ่มไต่เต้าไปสู่ความอดทนทางอารมณ์เรียกว่ารักษาศีล ศีลคือพยายามรักษาจิตที่ปกติศีลมีสองแบบนะศีลมีสองแบบคือศีลสังคมศีลห้าศีลสิบศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยสามร้อยสองร้อยี่บเจ็ดสามร้อยสิบเอ็ดอันนี้เป็นศีลสมมติอันนี้คนมาปฏิบัติทำอย่างน้อยต้องมีศีลแปด คำวศีลแปดกค็คือเพิ่มเข้าไปอีกไม่ทานอาหารในเวลาวิการเวลาวิการคือเวลาที่อเวลาที่ต่างไปจากกลางวันไปสู่กลางคืนเนี่ยอย่างสมณะเนี่เป็นผู้สวยงาอาหารบริโภคจากผู้อื่นงั้นเวล า, าสวยงาในเวลาที่ไม่ใช่เวลาเนี่ย ได้รับความลำบากประสงค์ก็ลำบากคนอื่นผู้ให้ทานก็ลำบากก็ไม่มีแล้วการทานอาหารในเวลาที่วิการไปก็ไม่จำเป็น เ, ลเวลาหลับเวลานอนเนี่ยกินแล้วไปนอนก็ไม่มีความจำเป็นนี่หนำซํา ม, มันทำให้เราติดในรถหนักขึ้น อาหารในเวลาเรากินเนี่ยรอยเปอร์เซ็นต์เี่ยอย่างต่ำก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราติดรูปติดรถชอบอาหารแปลกๆชอบรถแปลกๆเนี่ยแต่ถ้ากินให้พอดีเนี่ไม่มากในนี้พอยุคสมัยมีความสะดวกสบายตกแกนแสวงหาอาหารการกิน จะได้แล้วก็กดเอากดเอากดเอ า, เอาเนี่ความตามใจนี่ความขาดสติจึงนำมาซึ่งการสูญเสียะระบบเศรษฐกิจสังคมสังคมก็เสื่อมทรามนะเศรษฐกิจก็แย่โรคภัยก็เจ็บเบียเยนมนุษย์เป็นโรคภัยก็เจ็บกันเยอะยุคปัจจุบันเนี่ยทั้งเป็นยุคที่ซิวิลั่นเเนี่ ย, ยแต่ ในความสะดวกนี่เราขับตามใจตัวเอง่พะพอตามใจตัวเองทุกมคนก็นมามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอโลกเสื่อมเป็นอย่างนู้นอย่ น, น, นี้แล้ไม่ใช่มนุษย์เกิดจากความโลภของตัวเองไม่รู้ประมาณไม่รู้จักประมาณในโภชนะที่มีความสะดวกเท่าไหร่เนรมิตเอาได้เท่าไหร่เราก็พยายามที่จะให้ได้เยอะ รถก็เหมือนกันแต่ก่อนก็พ่อขี่ได้เนี่ยรถใหม่รถน้นเรื่อมันมากขึ้นมากขึ้นคือความอยากมันเยอะขึ้นนะพอมนุษย์มีความอยากมากขึ้นโลกนี้ก็เสื่อมเร็ววัตถุดิบเนี่ยก็ต้องดึงออกมาดึงออกมาจากใต้พิภพนี่น้ำมันวะเนี่ยก็จะมากขึ้นเราเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการบำรุงบำรเรือนี่บางที คนก็เริ่มมีความฉลาดขึ้นนะอย่างประเทศไทยนี่ก็มีอะไรอ่านี้ผู้ถือเรื่องการใช้เชื้อเพลิงทดแทนเลยก็ถ้าไม่มีนะเพราสังเกตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือคนมันอยากมากขึ้นคนมันเยอะขึ้นเรียกร้องความสะดวกสบายรลดรนลงลงไปเรื่องแอเรื่องนนเรื่องนี้นะไม่มีทาง ตราบใที่คนไม่รู้จากตัวเองอีือวันเมืองในวัดโสมนั้นที่ถธอก่อนปิดไฟนะค่าไฟไม่ถึงหมื่นเดี๋ยวนี้ทะลุนะพออะไรเพราะต้องเปิดไฟเยอะปัญหาเรื่องวันเมืองไม่สงบขโมยมันเยอะเข้ามาต้องเปิดไฟติดไฟไปทั่วตามเสาตามนนทน์ตามนี้ต้องเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนทั้งนนท์นี ท, นนทนั้งที่เราไม่มีความจาเป็นนะ เรารู้นะว่าควรประหยัดไฟแต่มันประหยัดไม่ได้มันประหยัดไม่ได้ถ้าไปปิดไฟก็แย่อีกละ่ะมันเข้ามาทางนูน้นทางนี้อุ่นไว้ต้องเปิดไฟต้องติดกล้องตรงนูนงน้นตรงนี้ปัญหาความอยากอย่างเดียวมนุษย์มันมีความอยากแล้วมนุษย์ที่มีความอยากนั่นมันก็ไม่มาปฏิบัติธรรม ก็ไม่ฝึกไม่ปฏิบัติทําโจรมาจากที่อื่นนะขโมยถ้าพอปัญหาความอยากความไม่รู้จักตัวเองขึ้นมามันวุ่นวายไปหมดนะที่พึ่งกระบวนการของรัฐเหลือยากรัฐก็มีความโลภแจ้งความแต่ละทีเขาก็บอกว่าต้องให้ข้าหัวนำจับเขาถามว่าไม่ให้ข้าหัวนำจับบ้างเลยดตู้ที ถ้าเราไม่รู้จักจิตตัว เ, เองเนี่ยจริงๆเนี่ยไปหมดเลยแค่จริยธรรมทางสังคมเนี่ยก็หนักแล้วกฎหมายก็เอาไม่อยู่ถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องปรมัติ์สภาวะภายในจริงๆลําบากคนดีก็อยู่ลําบากพราคนชั่วมีเนี่ยเนื่อนั้นการศึกษาพุทธธรรมหรือการเรียนรู้เรื่องความโลภความโกรธความหลงแสวงหา คำตอบของชีวิตจากภายในเนี่ยเป็นการหยุดยั้งปัญหาทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่แก้ปัญหาสังคมเลยนะแก้ปัญหาการเกิดภพเกิดชาติแก้ปัญหาการเกิดแข่เจ็บตายนะแก้ปัญหาโลกทั้งมวลนะถามว่ามันยากไหมมันก็ยากนะมันไม่มีอะไรที่มันง่ายถ้าจะหยุดเกิดมันง่ายยากนะนะ แต่วิธีการมันก็เหมือนมันยากแต่มันไม่ยากนะยังให้กําหนดรู้อย่างเงี้ยมันยากตรงที่ว่ามนุษย์ยังไม่เห็นประโยชน์ของอันนี้ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราดําเนินไปแต่ละวันแต่ละวันนี้มันเป็นทุกข์นะมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาโลกเป็นปัญหาเศรษฐกษิจปัญหาการเมืองเป็นปัญหา น, นู่นปัญหานี้ เพียงแค่เราขาดสติสัมปชัญญะเท่านั้นเองเราไม่ได้มองมาตรงนี้เราอยากแค่เป็นแบบผิวเผินแล้วเราอยากเลี้ยงเรากลัวสูญเสียความสนุกความสะดวกสบายรสชาติของกิเลสตัณหาราคะพวกนี้แล้วก็ไม่เลยไม่อยากเอาจริงเอาจังนี่เป็นเงื่อนไขปลายเหตุนะไม่ใช่สาเหตุนะ นั่นก็อยู่ใช้ชีวิตแบบในหลวงว่าน่ะดีอเอาพอเพียงเอาพอดีพออยู่พอได้เอาพออยู่พอได้พอกินพอนี้ยๆหน่อยเดี๋ยวนี้เราอยอะมีลาบมียศมีสารเสริญมากเกินไปพอเพียงคือในนั่นแหละแบบไรนาะสวมผสมทำอะไรมีที่สักเล็กสักน้อยมีบ่อ เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเรเล็กๆน้อยๆวพออยู่พอกินแล้วก็มีทางจงกรมก็มน่าจะพอนะชีวิตเนี่ยทำกินข้าวเลี้งน้อยทำอไรออกกำลังกายออกกำลังอะไรไปแล้วก็เดินจงกรมไปวันๆเพื่อหยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายหยุดความปรุงแต่งของชีวิตหยุดความอยากการเกิดนี่เป็นทุกข์นะ ทุกข์ายจติพุนับเป็นทุกขมาก